ในอัตถกถาคู่ตการนิกายอุทานเมคิยะสูตรหน้า396พระผู้มีพระภาคตรัสถึงธรรมะบ่มเจโตวิมุตติเรียกว่าธรรมเครื่องธรรมให้เจโตวิมุตติเนี่ยเกิดขึ้นหรือธรรมะที่ทำให้บรรลุมรรคผลคุณธรรมที่ช่วยให้บรร ล, ลุมรรคผลมีหประการข้อแรกก็มิตร ด, ดีใช่ไหมสมีศีลดีนี่ก็มาขึ้นข้อสาเลยนะ ขก็ในหน้าส96ย่อหน้ากลางว่าย้อนไปดูพุทธพจน์นิดหนึ่งจะเห็นชัดที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าในหน้าส8 0แนยะ น, นะที่บอกว่าอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งกระทาเครื่องขัดเกลากเกล็เป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานก็คืออปิจักขถาก็คือมักน้อยสันโดษวิเวกไม่ครุกคลีปรารบความเพี้ยนศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยาณทัทสนะอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นธรรมะเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าอธิบายว่าบทว่าอภิสันเลคิกาที่ว่า ผู้มีปกติขัดเกลากิเลสอย่างเข้มงวดคือเป็นผู้สมควรเพื่อการละกิเลสเหล่านั้นโดยทํากิเลสนั้นให้เบาบางทำความเศร้าหมองด้วยอำนาจตันหาเป็นต้นให้เบาบางบทว่าเจโตวิวรณสปายาเป็นสปายะของสมถะและวิปัสนากระถาวัตถุเนี่ยนะเป็นคําพู้ที่เกื้อกูลต่อสมถะและวิปัสนาช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ สมถวิปัสสนานั้นเกิดขึ้นมั่นเชื่อว่าส ป, ปายะของสมถาวิปัสสนากล่าวคือเปิดจิตโดยกระทํานิวรณ์อันเป็นตัวปกปิดจิตให้ห่างไกลปกติเนี่ยนะใจที่เศร้าหมองใจที่ขุนหมองใจที่ไม่งอกงามใจที่ไม่เจริญในสมถาวิปัสสนาใจเหล่านั้นถูกนิวรณ์มันท่วมทับนิวร์เนี่ยทำให้จิตเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงทําปัญญาให้ทุรพล ทำปัญญาให้อ่อนกำลังเพราะการพูดกระถาวัตถุนั้นน่ะกระถาวัตถุทั้งสิบเนี่ยเป็นคําพูดที่เป็นไปเพื่อระ ง, งับนิวรณ์ระ ง, งับเครื่องกลุ่มรวมจิตให้จิตเป็นไปกับสมถะและวิปัสนาสมถะและวิปัสสนานั่นแหละเป็นสัปพายะคือเป็นอุปการะแก่การเปิดจิตหรือกระทําจิตนั่นแหละให้ปรากฏให้จิตเปิดเผยตามเป็นจริงเพราะว่า การที่จิตถูกนิวรมมันกลุ่มรลมเนี่ยนะมันตกปิดตัวเองนะเพราะมัวแต่จิตที่ถูกการมาฉันทานกลุ่มรลมเนี่ยจิตก็ตกไปในการมาฉันทะแล้วก็พูดถึงมันเป็นอคติอย่างหนึ่งไปแล้วอะ่ะเรียกว่าเพราะชอบคนเนี่ยถ้ามันชอบนะสมมุทภาติดใจในอะไรสักอย่างหนึ่งจะพูดยังไงมันก็ไม่ใช่ว่าจะคลายง่ายใช่เพราะจิตถือว่าผิดปกติแล้วไม่เป็นปกติหมายถาว่าไม่มีใจเป็นของตัวเองเพราะถูกตันหามันเอาไปหมดแล้ว ตอนที่โกรธก็เหมือนกันก็ชื่อว่าผิดปกติใจนี่ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธจิตยามเมื่อโลภ ก, ก็เอาการเอางานไม่ได้จิตเมื่อโกรธก็เอาเป็นการเป็นงานไม่ได้ง่วงด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมง่วงเนี่เอาเป็นการเป็นงานได้ไหมลองอ่านพระธรรมดูตอนง่วงง่วงเนี่ยนะมีไม่กี่คนดอกเห็นพระไตรปิดกปั๊บตาสว่างเลยโดยมากตื่นอยู่ดีๆพอเปิดพระไตรปิดกปับ๊บงู ง่วงมาบอกปิดโอ้โหสว่างขึ้นมาทันทีเลยยากจับพระไตดปิฎกง่วงบอกว่าเปลี่ยนพลิกแค่หนังสือพิมพ์แค่นั้นนะตื่นทันทีเลยนะนนก็เป็นอย่างนี้ทันจิตเนี่ยถ้าถูกทีนะก็ไม่ปกติแล้วถูกความเดือดร้อนความรําคาญใจก็ผิดปกติเต็มไปด้วยความสงสัยใจก็ผิดปกติผิดปกติวิสัยตกไปในอํานาจของบาปอากุศลจิตนั้นถูกกลบเกลื่อนด้วยอำนาจกามาฉันทะเป็นต้น แต่การพูดกระถาวัตถุการเรียนกระถาวัตถุการฟังกระถาวัตถุคือเรื่องที่ควรพูดเรื่องที่ควรเรียนควรศึกษาเนี่ยทำให้นิวรณไม่กลุ่มรุมบัดนี้เพื่อแสดงเหตุเครื่องนํามาซึ่งความเบื่อหน่ายเป็นต้นอันเป็นการขัดเกลากิเลสและเป็นสปายะในการเปิดจิตจึงกล่าวว่าเอกันตะนิพิธายะหมายคำว่ากถาวัตถุทั้งสิบ เป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อให้บาปอากุศลเนี่ยระ ง, งับลงเป็นไปเพื่อส ป, ปายะแก่สมถะและวิปัสนาไม่ให้นิวรณ์กลุ่มุมพาะคำพูดที่เป็นคะถาวัตถุทั้งสิบประการเนี่ยเอกันตะนิพิทายะเอกันตะนี่แปละว่าโดยส่วนเดียวนิพิธาก็คือความเบื่อหน่ายเัะการพูดคะถาวัตถุสิบนีน้จึงเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อเบือหนายเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหนายวัตทุคุกเบื่อหน่ายขันธาตุอายตนะโดยส่วนเดียวโดยแท้จริงทีเดียววิราคายะนิโรธายะเพื่อคลายและเพื่อดับวัตทุกข์นั้นนั้นแลอุปสมายะเพื่อความสงบสัพภาคิเลสอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแม้ทั้งหมดสัมโธธายะเพื่อตรัสรู้มัคจิตสี่เพื่อตรัสรู้อริยมรรสีนะ บทว่านิพิทานายะเพื่ออนุปาทิเสสนิพานธาตุสมคำแรกคือเอกันตานิพิทานะวิราคายะนิโรธาญาเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับสมคำนี้เป็นชื่อของวิปัสนามักในสองชื่อมักก็คืออะไรอภิญญายะสัมโพธาญาู้ยิ่งกับตรัสรู้นี่เป็นชื่อของอริยมักนิพานด้วยสองคำ คืออุปสมายะกับนิพพานายะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานอันนี้คือเป็นชื่อของนิพพานวิปัสสนาสามชื่อย้อนไปดูในหน้า380เห็นไหมนับลงบรรทัดที่สเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสามคำนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาเพื่อความสงบกับเพื่อนิพพานนี้เป็นชื่อของนิพพานเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้สองคำนี้เป็นชื่อของอริยมรรค นัการพูดคาถาวัตถุสิบโดยสรุปก็เพื่อวิปัสนาเพื่อมรักและนิพพานท่านแสดงอุตริมนุสธรรมทั้งหมดเริ่มตั้งแต่สมถะและวิปัสนาจนถึงนิพพานเป็นที่สุดย่อมเกิดมีแก่ผู้ได้คาถาวัตถุสิบผู้ที่สามารถแสดงคาถาวัตถุสิบผู้ที่ฟังคาถาวัตถุสิบอันนี้เป็นไปเพื่อวิปัสนามรักผลอย่างแท้จริงคาถาวัตถุสิบมีอะไรบ้างมรคน้อยสันโดษ มักน้อยอภิชฌคือมักน้อยทวนอีกครั้งหนึ่งนะกระถาวัตถุสิบมีอะไรบ้างมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรห้าคำแล้วก็ธรรมอานารดีก5ก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะอธิบายตามลำดับเลยนะบทว่าอภิชฌที่แปลว่ามักน้อยมักน้อยนี่แปลว่าไม่ปราถนา พูดเหมือนมีส่วนเหลือมักน้อยก็เอาแต่น้อยใช่ไหมเอานิดนหน่อยหน่อยอะไรนี่ไม่ใช่แปลว่าไม่ต้องการเลยมักน้อยตัวนี้แปลว่าไม่ต้องการแต่เขาเรียกว่าพูดแบบมีส่วนเหลือกะทาแห่งอัปิชานั้นชื่อว่าอัปิจักกระากระทาแปลว่าคำพูดเรื่องที่ควรพูดกระาที่เกี่ยวด้วยความเป็นผู้มักน้อยชื่อว่าอาปิจักกะาเกี่ยวกับเรื่องความปรารถนาเนี่ยปกติแล้วมีอยู่สประเภท ความปรารถนามีอยู่สี่จำพวกหนึ่งอัตริโฉผู้ปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นอันนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มมีแต่คูณคูณคูณคูณเอาเอาเอาอย่างเดียวปาปิโชปรารถนาเป็นบาปหรือเรียกว่าปรารถนาลามกมหิโฉคือผู้มักมากอปิโชก็คือมักน้อยเกลียวหรือผู้ไม่ต้องการอธิบายว่าข้อหนึ่งก่อนนะข้อแรกก็คืออัตริโชใช่ไหมผู้ปรารถนายิ่งยิ่ง คือผู้ที่ไม่อิ่มลาบตามที่ตนได้มาปรารถนาลาบยิ่งยิ่งขึ้นชื่อว่าอัตริชฉยกตัวอย่างในคำพีเปรตตวัตถุว่าท่านได้สวยนางเวมานิกเปรตสี่นางหมายคือว่าเขาล่องไปในทะเลไปเจอวิมานเวมานิกเปรตได้เมียงามสี่นางคือหมายคือว่าพวกเวมานิกเปรตเช่นกลางวันเป็นนางฟ้ากลางคืนเป็นเ ป, นเปรตอะไรอย่างเงี้ยนะก็สลับสรุปว่าไปได้เมียสี่นาง ก็บอกเบื่อก็ไปเรื่อยๆสแสวงหาลาบต่อไปก็ไม่ได้ไปเจอ8นางอยู่กับนางเวมานิกะเปรตแปดนางไปได้ไม่กี่วันจากไปอีกไปพบนางเวมานิกะเปรตสิบหนางอยู่ไปหลายวันเขาก็เบื่ออีกไปเพิ่มได้32นางทีนี้ไอ้ความมากๆกเกินไปก็เลยไปยินดีในจั ก, กร ก, กรดจักรกรดย่อมพัดผันบนกระหม่อมของท่านซึ่งถูกความอยากนำมาเขาก็มีเรื่องว่าคนเนี้ยทุบแม่ แต่ว่าด้วยบุญบางอย่างเนี่ยไปในทะเลเนี่ยนะก็ไปเจอเวมานี่กระเปร็ดสี่นางเบื่อสี่นางไปอยู่กับแปดนางเบื่อแปดนางไปอยู่กับสิบนางไปเจอสามสิบสองนางก็แบบโหนี่ขนาดเรามาเรื่อยๆนะประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆมีแต่เพิ่มขึ้นใช่ไหมก็เลยไปต่อนี้ไปเห็นไอ้คนหนึ่งเนี่ยกงจากมันพัดกงจากแบบที่เขาตัดน้ําแข็งกันนะกงจากใบเลื่อยนี่มันพัดศีษะเลือดอาบเขาบอกโอ้ยนัทเนี่ยดอกบัว คนนี้มีดอกบัวงามจังเลยนะดูสิดอกบัวประดับงามก็คือเรียกว่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวนะที่มาของคําว่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวก็เลยไปถูกกองจักเนี่ยพัดไปเอากงจักจากหัวอีกคนหนึ่งมาประดับใส่หัวตัวเองก็เลยถูกกองจักเนี่พัดอันนี้ที่เรียกว่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวนี่ก็คือลักษณะที่พูดถึงว่าคนมากๆเอาเพิ่มมีแต่เพิ่มเพิ่มโลภมากในที่สุดเป็นยังไงโลภมากก็เลยหมดราบเลยนะหมดราบ ลาบหมดแล้วเหลืออะไรกันนี้เหลือแต่ทุกข์เหลือแต่ทุกข์และอันนี้ลักษณะของอัตริฉะแปลว่าพวกมากมากพวกปรารถนามากมากปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดพวกมากมากนี้ให้แผ่นดินทั้งหมดก็ไม่พอหรืออีกในหนึ่งที่ตรัสว่าบุคคลผู้อยากได้เกินส่วนย่อมเสื่อมจากประโยชน์เพราะโลภเกินไปและเพราะเมาในความโลภเกินไปพวกโลภเกินไปโดยมากก็โลภมากลาบหายนะที่ว่าเนี่ย โลภไปโลภมาก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอันนี้เรียกว่าพวกอัติริชะอัติริชโชนี่คือพวกปรารถนาเพิ่มเพิ่มเพิ่มกลุ่มที่หนึ่งผ่านไปกลุ่มที่สองผู้มีความประสงค์ในการยกย่องคุณที่ไม่มีอยู่จริงทีเรียกว่าปาปิดโฉผู้ปรารถนาลามกพวกนี้นี่ไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยแต่ว่าโชตัวเองว่าตัวเองมีคุณธรรมอันนั้นนะ เพราะอะไรเพราะมีความต้องการในลาบสักการะและเสียงเยินยอเสียงเยินเยินก็คือยกขึ้นนะนะยอ ก, ก็คือยกอีกนั่นแหละต้องการให้คนอื่นยกทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่มีอะไรนะที่ท่านหมายกล่าวไว้ว่าบาปประธรรมเหล่านั้นการหลอกลวงเป็นไนการดํารงอิริยาบถกิริยาที่ดํารงอิริยาบถความดํารงอิริยาบถไว้ด้วยดี ด้วยการเสพปัจจัยหรือด้วยการพูดเลียบเคียงของผู้ปรารถนาลามกถูกความหยาบครอบงมอาศัยลาบสการะชื่อเสียงเยินยอดังนี้เป็นต้นพวกที่ปรารถนาลามกมักจะแสดงตัวทั้งๆ ท, ที่ไม่มีคุณธรรมอันนั้นแหละไม่มีคุณธรรมแต่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวนี่มีคุณธรรมไม่มีสมาธิอะไรหรอกเป็นคนที่ฟุ้งซ่านเป็นคนทูศีลแต่โชวตัวเองว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิเป็นต้น แสดงกิริยาอาการอิริยาบทในการใช้ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเพื่อต้องการให้ได้มากขึ้นพวกปรารถนาลามกปกปิดความเลวที่มีอยู่ภายในเปิดเผยความดีที่ไม่มีอยู่ในตนเพื่อให้คนนับถืออันนี้เรียกว่าปรารถนาลามกปรารถนาเป็นบาปจริงๆก็ไม่ได้มีอย่างที่ว่าไรหรอกอันนี้กลุ่มที่สองเรียกว่าพวกปรารถนาลามกปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาป ก็คล้ายๆกับพวกอะไรนะขายสวรรค์ขายวิมานในอากาศนั่นแหละทั้งๆที่มันไม่มีอยู่นะต่อไปผู้มักมากนะมหิตโฉก็คือผู้มีความประสงค์ในการยกย่องคุณที่มีอยู่และไม่รู้จักประมาณในการรับอันนี้ชื่อว่าผู้มักมากที่ท่านกล่าวไหมว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาปรารถนาว่าขอคนจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัทธา อันนี้มีแต่ว่าขี้อวดขี้โม่นะพวกลักษณะนั้นนะเที่ยวโชว่าฉันเนี่ยมีศรัทธานะไปที่ไหนบอกฉันมีศรัทธาเอมีจริงอ่ะแต่ว่าพูดมากไปปรารถนาจะเที่ยวบอกเขาว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลก็ปรารถนาว่าขอคนจงรู้จากเราว่าเป็นผู้มีศีลอยากให้ผู้อื่นรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนมีศีลจริงๆใครว่าตัวเองเป็นผู้มีสมาธิก็เที่ยวบอกคนอื่นว่าอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นผู้มีสมาธิอนะ คล้ายๆกับว่าพูดแบบชาวโลกก็คือมีเงินก็เที่ยวเปิดกระเป๋าให้คนอื่นดูว่าฉันมีนะถามว่าพูดมากๆ ม, มันจะเหลือไหมโยมว่าเขาก็ฉกเอาไปแค่นั้นน่ะเนา ะ, นะจริงอย่างนั้นผู้ที่มกัมกๆแบบนี้นะแม้มารดาบังเกิดกล่าวก็ไม่สามารถจะเอาใจเขาไว้ได้ก็มีเรื่องหนึ่งพระที่สุรูปหนึ่งเป็นพระที่มกักมากแม่ก็อยากจะลองดูนิสัยพระรูปนี้ว่าท่านลดบ้างหรื อ, อยังไอความมากักมากของท่าน ก็เลยทอดขนมชนิดหนึ่งที่พระรูปนี้ชอบมากเลยรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยชอบขนมชนิดนี้ทอดเต็มไปหมดเลยพระรูปนี้ฉันจนหมดเกลี้ยงเลยเพราะฉันหมดนี่แม่ก็เลยบอกว่าลูกขนมที่ลูกจะฉันทั้งพรรษานี่ลูกฉันวันนี้หมดแล้วนะจริงๆแม่ตั้งใจว่าถ้าลูกรู้จักประมาณในการฉันบ้างอนะหมายคถาว่าฉันแต่พอสมควรว่างั้งนเถอะที่คนทั่วไปเขากินอะ่ะควรจะแค่ไหนก็พอละอันนี้มาตั้งหน้าตั้งตาฉันจนไม่เหลือเลยอะ่ะ เนี่ยขนมทั้งภาษาลูกฉันหมดแล้วนะวันนี้วันหลังอดแล้วขนมแบบนี้ไม่ได้ฉันอีกล้ก็คือฉันมากเกินไปเพราะฉะนั้นแม่กระทั่งอย่างที่ว่าเนี่ยแม่บังเกิดกล้าวยังเอาใจไม่อยู่เนี่ยคือมันมักมักมากอะ่ะก็เลยกล่าวอุปมาว่าบุคคลผู้ให้ปัจจัยเป็นอันมากหรือให้ปัจจัยเป็นเล่มเกวียนก็ไม่พึงยังแม้สภาวะทั้งสามเหล่านี้ให้เต็มคือกองไฟหาฟืนมาถมกองไฟเนี่ยพอไหม ถมไปเถอะกองไฟเมื่อไหร่จะถมพอเอาน้ําไปถมทะเลดูสิทะเลเอ้ยเอาน้ําไปให้พอทะเลนี่จะพอไหมไม่พอกับคนผู้มักมากคนผู้มักมากให้ปัจจัยเศษให้ชีวอนให้อาหารให้อย่างไรก็ไม่มีคําว่าพอปรารถนาไปเรื่อยไปเรื่อยเลยเรียกว่าผู้มักมากอันนี้บุคคลกลุ่มที่สามกลุ่มที่หนึ่งทวนอีกครั้งกลุ่มที่หนึ่ง พวกนี้ปรารถนาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มอัตริโฉเนี่ยอัตริฉะได้สองเอา4ี่ได้4เอา8ดได้8ดเอา16เอาได้กเอา 32, กเลยเหลือแต่กงจกักลุ่มที่สองปรารถนาลามกปาปิดโฉปรารถนาพวกอวดทั้งหลายแหลท่ทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่ไม่มีอยู่นะสพวกมากมากให้เท่าไหร่ก็ไม่พอ4กลุ่มที่4ี่บอกว่าบุคคลเว้นโทษไม่มีหนึ่งอ่ะนะ คือมีผู้ปรารถนาเกินไปเป็นต้นเหล่านั้นให้ห่างไกลมีความประสงค์จะซ่อนคุณธรรมที่มีอยู่ซ่อนคุณธรรมคืออะไรซ่อนศีลสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองมีคุณธรรมเหล่านั้นรู้จักประมาณในการรับอันนี้เรียกว่าผู้มักน้อยอปิเฉชใช่ไหมอปิฉะผู้มักน้อยเพราะเขาปรารถนาจะปกปิดคุณแม้ที่มีอยู่ในตน ไม่ต้องการให้ใครรู้หรอกว่าตัวเองมีคุณธรรมถึงจะมีศรัทธาก็ไม่ปรารถนาว่าขอคนจงรู้จากเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาบกปิดตัวเองไม่ให้ใครรู้เลยว่าฉันเป็นผู้มีศรัทธานะถึงจะมีศีลมีสุตะถึงจะชอบวิเวกปรารบความเพียรมีสติตั้งมั่นมีใจเป็นสมาธิมีปัญญาก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ว่า มีปัญญาคล้ายๆกับถ้าเป็นชาวโลกเรียกวพวกเศรษฐีซ่อนตัวเนี่ยนะเศรษฐีซ่อนกายอะมีที่เขาเล่าให้ฟังที่พุทธคยาก็มีนั่งคุยกันไปเรื่อยก็มีชายคนหนึ่งนะนุ่งกางเกงเก่าๆอยู่ตัวหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆที่ฟังธรรมนั่นแหละก็ถามว่าใครเขาดูแลบริเวณตรงนี้อนะเสร็จแล้วก็ถามว่าที่ตรงเนี้ปูหินอ่อนได้ไหมทั้งหมดเนี่ยปูหินอ่อนไหม พูดบอกว่าปูได้เขาก็เลยรับเป็นเจ้าภาพปูหินอ่อนทั้งหมดในนั้นน่ะเขาคือเศรษฐีชาวเนปาลนุน่มกางเกงเ ก, งเก่าๆเสื้อตัวหนึงไปนั่งอยู่ตรงแถวๆนั้นน่ะนะเป็นคนที่ออกค่าปูหินอ่อนในบริเวณพุทธคยาในนั้นทั้งหมดแต่ว่าตอนที่เข้าไปนี่ไม่มีใครเขารู้หรอกว่าเขานี่คือเศรษฐีชาวเนปาลบางคนเนี่ยเป็นคนลักษณะนี้ก็มีเป็นคนที่ว่าปกปิดตัวเองมากแต่ทําอะไรไปก็เงียบไปเลยแต่ถามมาเอาแล้วเรื่องนี้เขารู้ได้ยังไง คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะเขาเล่าให้ฟังว่าคนนี้เป็นอย่างนี้บางคนก็ไม่เปิดเผยว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะถึงจะให้ทานขนาดไหนก็ประสงค์จะทําบุญแต่ไม่ประสงค์จะออกชื่อบางคนนี่ประสงค์จะออกชื่อแต่ไม่ประสงค์จะออกทุนขอให้มีชื่อนะบอกอุ้ยรับปากหมดอนะให้ให้ชื่อฉันไปก่อนเอาชื่อไปเสร็จแล้วเขาก็ประกาศโฆษณาแต่ไม่เคยเอาไปให้อย่างที่โฆษณาอะไรหรอกพวกนี้ประสงค์จะเอาชื่อแต่ไม่ประสงค์จะออกซัพย์ บางพวกประสงค์จะออกรัพย์แต่ไม่ประสงค์จะออกชื่อบางพวกก็จะออกทรัพย์ก็ออกชื่อก็เอาบางพวกก็ไม่ต้องการทรับแล้วไม่ต้องการชื่อของเรากลุ่มไหนนะว่าเป็นพักๆไปใช่ไหมพวกที่มีศรัทธาบางพวกนี้ไม่ประกาศตัวเองเลยนะทำกุศลไปเท่าไหร่ก็เงียบเงียบหมดนะเพราะวกนี้เรียกว่าถึงมีศีลเนี่ยตัวเองรักษาอุโบสถเป็นต้นเนี่ยรักษาทุดงก็ไม่บอกใครเนี่ยว่าตัวเองเป็นผู้มี หรือมีสุตะเป็นคนทรงพระไตรวิฎกก็ปิดตัวเงียบเลยไม่ให้ใครรู้ด้วยนะว่าเขาเป็นผู้ทรงพระไตรวิฎกเป็นชนชอบอยู่เงียบเงียบวิเวกก็ไม่เคยพูดว่าไปหลีกเล้นที่ไหนมาบ้างไม่เล่าให้ใครฟังดังนั้นเป็นผู้ที่เจริญกรรมฐานมากไม่ชอบหลับไม่ชอบนอนเพียรในการกําจัดบาปอากุศลก็ไม่เล่าบอกใครถึงทรงจําสติตั้งมั่นอารมณ์ทุกอารมณ์เป็นอสุภะเป็นต้น เป็นอสุภะเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาท่านก็ไม่บอกไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้อนะใจเป็นสมาธิเข้าฌานได้เข้าสมาบัติได้ก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าได้ฌานถึงจะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็ไม่ปรารถนาว่าขอคนทั้งหลายจงรู้จักเราอันนี้แหละเรียกว่าลักษณะของผู้มักน้อยอภิชโชห์เนี่ยนะมักน้อยจริงๆมีก่อนนะแล้วไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เรียกว่ามักน้อยไม่ใช่ว่า ไม่มีฉันมากน้อยเพราะฉะนั้นศรัทธาเอาแต่น้อยเนี่ยศีลก็เอาแต่น้อยฟังก็ฟังแต่น้อยเรียกว่าคนมากน้อยใช่ไหมไม่ใช่พวกนี้จริงๆนะถ้าไม่ต้องการคุณธรรมคือพวกมากๆผู้ที่ปรารถนาคุณธรรมเพิ่มขึ้นเรียกว่าพวกมากน้อยแต่พวกไม่ต้องการคุณธรรมเลยเรียกว่าพวกมากๆพวกมากน้อยในนี้มีอยู่สี่จำพวกด้วยกันคือมักน้อยในปัจจัยหนึ่งมักน้อยในทุดองเนี่ยหนึ่ง มักน้อยในปริยัติเนี่ยหนึ่งแล้วก็มักน้อยในอธิคมคือมักผลเนี่ยหนึ่งสี่จำพวกนั้นเช่นว่าผู้มักน้อยในปัจจัย4ี่ก่อนนะหนึ่งเขาจะตรวจดูผู้ให้ปัจจัยตรวจดูทายธรรมแล้วก็ตรวจดูกําลังของตนข้อการให้ทานมีอยู่สามกลุ่มในชะ่ผู้ให้ของที่ให้และตัวผู้รับเองถ้าแม้ทายธรรมมีมากทายกประสงค์จะถวายน้อยก็เอาแต่น้อยด้วยอํานาจทายก ของเขามีเยอะจริงอ่ะแต่เขาไม่ต้องการให้มากก็ถือเอาแต่น้อยอ่ะเพราะเจ้าของเขาอยากให้น้อยอ่ะนะถ้าทายธรรมมีน้อยทายกประสงค์จะให้มากก็รับแต่น้อยด้วยทยธรรมจริงๆแล้วเจ้าของเขามีศรัทธามากเขาอยากทำเยอะแต่ของมันนิเดียวอ่ะก็รับเอาแต่น้อยเพราะว่าของมันไม่มากถ้าแม้ทยธรรมก็มากทายกกประสงค์จะให้เยอะรู้กาลังของตนรับเอาแต่พอประมาณศรัทธาเขาก็มีเยอะนะ อาหารเขาก็มีเยอะมากตัวเองเอาพอฉันก็พอก็พิ่สุเห็นปานนี้ย่อมยังลาบที่ยังไม่เกิดให้เกิดทําลาบที่เกิดขึ้นแล้วให้มั่นคงยังจิตของทายกทั้งหลายให้ยินดีเรียกว่ารู้จักประมาณในการรับเอาพอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าผู้มักน้อยในปัจจัยสี่มักน้อยในปัจจัย4ี่เพราะพิจารณาผู้ให้พิจารณาของที่ให้แล้วก็พิจารณา ความต้องการของผู้รับว่าควรจะแค่ไหนเหมาะสมต่อไปผู้ไม่ประสงค์จะให้รู้ว่าการสมาทานทุดงมีอยู่ในตนเชื่อว่าผู้มักน้อยในทุดงพวกมักน้อยในทุดงเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองรักษาทุดงสมาทานทุดงหนึ่งสองสามสี่เป็นต้นประพฤติขัดเกลาแต่ก็ไม่ไม่บอกใครทุดงเนี่ยมาจากคาว่าทุตังคะทุตะกับอังคะทุตะเนี่ยแปลว่าขัดเกลาร อังคะก็คือองค์ของผู้ที่ขัดเกลว์มันตัวเอง ele, ประพฤติปฏิบัติขัดเกลว์อกุศลก็ไม่บอกใครไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ที่ขัดเกลว์เป็นต้นส่วนประเภทที่สบอกว่ามักน้อยในปริยัตคือผู้ใดไม่ปรารถนาเพื่อจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเป็นผู้หูซุดผู้นี้ชื่อว่ามักน้อยในปริยัตไม่ใช่หมครับว่ามักน้อยในปริยัตก็เลยไม่เรียนเลยไม่ใช่เรียนมามากแต่ไม่ต้องการให้ ใครรู้ไม่ต้องการบอกใครไม่ต้องการเล่าให้ใครฟังทั้งนั้นว่าตัวเองมีความรู้บางรูปเนี่ยทรงพระไตรปิฎกไปอยู่ในบางวัดเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าพระรูปนั้นทรงพระไตรปิฎกเขาก็เลยจัดวาระในการเทศพอรูปนี้ขึ้นเทศทอเทศจบท่านก็ไปเลยก่อนที่คนอื่นจะรู้นะท่านก็ไปแล้วเพราะท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นผู้ทรงปริยัตส่วนผู้ใดเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นต้นรูปใดรูปหนึ่ง ก็ไม่ปรารถนาจะให้เพื่อนสะพรมจารีรู้ว่าตนเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนี้ชื่อว่ามรคน้อยในอธิคมตัวเองบรรลุมรคนแล้วก็ไม่บอกใครไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองบรรลุมรคลมรคน้อยสีประเภทใช่ไหมมรคน้อยในปัจจัยมรคน้อยในทุดงมรคน้อยในปริยัตมรคน้อยในอธิคมคือการบรรลุมรคลกระถาคือคําพูดอันเป็นไปด้วยประกาศโทษของความมรมากเป็นต้นประกาศอนิสง์ของการมรคน้อยเป็นต้น เรียกว่าอภิจักกะถาก็คือกระถาว่าด้วยการมักน้อยถามว่าประกาศโทษอะไรประกาศโทษของการปรารถนามากประกาศโทษของปรารถนายิ่งยิ่งประกาศโทษของความเป็นผู้มกักมากประกาศโทษของผู้ที่ปรารถนาลามกที่เป็นปฏิปักิต่อความมาักน้อยแล้วก็บอกอันนี้สง อันนี้สองวิธีปฏิบัติในความมักน้อยในปัจจัยสี่บอกวิธีปฏิบัติในการมักน้อยในทุดงในปริยัตในอธิคมอันนี้แหละเรียกว่าคาถาชื่อว่าความมักน้อยเนี่ยนะอิจักราคาถาว่าด้วยความเป็นผู้มักน้อยพระพุทธศาสนาเนี่ยดำรงอยู่ได้เพราะความมักน้อยนีย่พอมกักมากเมื่อไหร่แล้วศาสนาเริ่มจบแล้วเพราะมักน้อยเนี่ยเป็นศีลกษะ ลักษณะคุณสมบัติของผู้มีศีลเขาเป็นอย่างนี้กถาวัตถุข้อที่สองคือสันตติกถาว่าด้วยความสันโดษสันโดษก็คือความยินดีด้วยของของตนคือด้วยของที่ตนได้มาชื่อว่าสันโดษมีอะไรก็ยินดีในสิ่งนั้นแหละเรียกว่าสันโดษอีกอย่างหนึ่งละความปรารถนาปัจจัยที่ไม่สม่ำเสมอหมายคือว่าได้ปัจจัยมาโดยทูศีล น, นะไม่ต้องการ ยินดีในปัจจัยที่สม่ำเสมอที่ถูกต้องชื่อว่าสันตุธิอีกอย่างหนึ่งความยินดีด้วยของที่มีอยู่ปรากฏอยู่ก็ยินดีเฉพาะของที่มีอยู่ชื่อว่าสันโดษดังคาที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ไม่เศร้าโศกถึงปัจจัยในอดีตไม่บ่นถึงปัจจัยที่เป็นอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจัยในปัจจุบนันเรียกว่าเป็นผู้สันโดษ คือพวกสันโดษไม่ใช่โอ้โอดีตเราเคยมีอย่างงั้นอย่างงั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ไหมอนาคตหวังว่าจะต้องเป็นอย่างงั้นอย่างงั้นเบื่อรังเกียจในปัจจัยปัจจุบันพวกนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่สันโดดส่วนผู้สันโดดก็อดีตมันก็มันหมดไปแล้วปัจจัยในอดีตมันก็หมดไปแล้วปัจจัยในอนาคตก็ยังไม่มาถึงอัตภาพในปัจจุบันนี้ก็ดำรงด้วยปัจจัยตามที่มีอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าสันโดดอันนี้หมายความว่าใช้กับปัจจัย4 คำว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยอย่างโดยเฉพาะสันโดษเนี่ยเขาใช้กับมหาภูตรูปสี่นะคือมหาภูตรูปสี่เนี่ยควรจะมักน้อยและสันโดษไม่ได้ใช้กับกุศลธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สันโดษในกุศลแต่ให้สันโดษในมหาภูตรูปเพราะปัจจัยสี่เป็นเชื่อของมหาภูตรูปคือดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมเนี่ยมีแต่น้อยดีหมายค่ะว่า ไอมีแต่น้อยหรือมีมากมีน้อยเนี่ยเอาว่าความต้องการเนี่ยให้รู้จักเต็มให้รู้จักพอเมื่อพอมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่แล้วจะได้เอาเวลาที่เหลือไปเจริญกุศลอีกอย่างหนึ่งความยินดีด้วยปัจจัยความยินดีด้วยปัจจัยโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วด้วยญายธรรมโดยชอบเชื่อวสันตุทิโดยอาจได้แก่สันโดษในปัจจัยตามมีตามได้ เกี่ยวกับเรื่องสันโดษสันโดษมี12อย่างคือปัจจัยสสันโดษ3อย่างในปัจจัย4ี่ก็เลยเป็นสันโดษ12จีวรนเครื่องนุ่งหม่มนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสอย่างนะปัจจัยมี4ประการปัจจัย4ี่คูณยะถาลาภาสันโดษยะถาระลาสันโดษยะถาสารุ ป, ปะสันโดษปัจจัย4คูณ3เท่ากับ12 จีวรก่อนเนี่ย ว, ยวยาา่าสันโดษในจีวรยะถาลาภาสันโดษในจีวรยะถาสารุ ป, ปะสันโดษในจีวรยถาสันข้อหนึ่งนะยะถาลาภะสองยถาภะละสมยถาสารุ ป, ปะอ๋อตรงนี้แปลผิดไม่น่าพิมพ์ผิดไปข้อนะเอาใหม่นะเริ่มอธิบายเลยย่อนหน้าว่าสันโดษเหล่านั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้จีวรตามมีตามได้ ได้จีวรดีก็ตามได้จีวรไม่ดีก็ตามเธอยังอัตภาพให้เป็นตาด้วยจีวรนั้นแหละไม่ปรารถนาจีวรอื่นถึงจะได้เพิ่มอีกก็ไม่รับอาการของพิสูจน์นั้นชื่อว่ายะถาลาภสันโดษในจีวรเอาเฉพาะเท่าที่ได้ได้พอใช้แล้วก็เลิกไม่เอาอีกละให้อีกก็ไม่เอาอันนี้เรียกว่ายถาลาภลาบตัวนั้นแต่ว่าได้เอาตามที่ได้ได้เท่าไหร่ก็พอละแต่ครั้นเธอทุลพล ทุพลภาพหมายก็ว่าหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังหรือไม่สบายถูกความเจ็บไข้หรือถูกความชราครอบงําเธอห่มจีวรหนักย่อมลําบากเธอเปลี่ยนจีวรหนักกับภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วยังอัตภาพาให้เป็นไปด้วยจีวรที่เบาก็ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษแท้อาการของภิกษุนั้นชื่อว่ายถาภะสันโดษพิมพผิด น, นะเปลี่ยนเป็นภะนะไม่ใช่ลาภะเป็นยถาภะสันโดษ ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้จีวรมีค่ามากผืนใดผืนหนึ่งมีจีวรเช่นผ้าไหมเป็นต้นก็คิดว่าจีวรแบบนี้สมควรแก่พระเทระผู้บวชนานจีวร น, นี้สมควรแก่พระเทระผู้เป็นพหูสูดจีวร น, นี้สมควรแก่พระเทระผู้เป็นไข่จีวร น, นี้สมควรแก่พระเทระผู้มีลาบน้อยก็เลยเอาจีวรเหล่านี้ไปถวายแก่พระเทระเหล่านั้นแล้วแสวงหาผ้าที่มีชายมาจากกองอยากเยื่อเป็นต้นด้วยตนเองทําสังคาติ หรือรับจีวรเก่าของท่านเหล่านั้นมาครองอันนี้ก็จัดว่าเป็นผู้สันโดษโดยแท้อาการของผู้สันโดษนั้นชื่อว่ายถาสารุ ป, ปะสันโดษสันโดษตามสมควรเนี่ยนะตามสมควรใช่ไหมว่าของดีๆแบบนี้สมควรแก่ใครนะเสื้อผ้าแบบนี้สมควรแก่พระธีระเป็นตน้นตัวเองเนี่ยสมควรแบบเรียกว่ารู้ฐานะที่เป็นจริงของตัวเองว่าตัวเองนั้นควรจะใช้ผ้าชนิดใดที่ดูแล้วเหมาะสมอันนี้เรียกว่ายถาสารุ ป, ปะสันโดษ จีวนเนี่ยก็แบ่งเป็น3อย่างจีวอนตามมีตามได้ข้อ 1. สองตามกำลังสาตามความเหมาะสมนนะสารูปป็คือตามความสมควร น, นี้อาหารบ้างอันหนึ่งพิสูจนในธรรมวินัยนี้ได้บินทบาต ท, ที่ปอนตอนหรือประนีเธอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบินธบาตนั่นแหละไม่ปรารถนาบินธบาตอื่นถึงจะได้ก็ไม่รับอาการของพิสูจน์นี้นั้นชื่อว่ายถาลาภสันโดษในบิณธบาต ก็ฉันอาหารตามที่บินธบาตได้มานั่นแหละได้ยังไงก็ฉันอย่างนั้นไปครั้นเธอเจ็บไข้บริโภคบิณธบาต ท, ที่ปอนๆ อ, อันเป็นของแสลงตามปกติหรือแสลงต่อความเจ็บไข้ถึงความเป็นผู้มีโรคหนักหมายค่ะว่าป่วยน้อยเดียวอ่ะนะป่วยนิดเดียวอนะ่ะแต่พอฉันอาหารชนิดนั้นแล้วก็ป่วยเพิ่มป่วยเพิ่มเธอก็ถวายอาหารอันนั้นน่ยแก่พิสูผู้ชอบพอกันบริโภคโภชนะอันเป็นส ป, ปายะจากมือของพิสูพุ้ชอบพอกันนั้น กระทำสมณธรรมก็ชื่อว่าสันโดษ้อาการของพิสูจนนี้นั้นชื่อว่ายถาภะสันโดษในบินทบาทคือตามกําลังในอาหารนะนะว่าตัวเองควรจะบริโภคอาหารชนิดใดที่สามารถทําให้รักษาโรคได้พิสูรรูปหนึ่งได้บินทบาทที่ประณีตเธอก็คิดว่าบินทบาทนี้สมควรแก่พระเทระผู้บวชนานเป็นต้นถวายอาหารอันนั้นแก่พระเทระเหมือนจีวรแล้วก็เอาอาหารอันเป็นของของพระเทระเหล่านั้นแหละมาฉัน หรือไปเที่ยวบินทบาต์ฉันด้วยตนเองแล้วก็ฉันอาหารผรสมอันนี้ก็จัดว่าเป็นผู้สันโดษแท้อาการของพิสูจน์นี้ชื่อว่ายถาสารุ ป, ปะสันโดษในบินธบาตก็เอาตามสมควรนะนะว่าอาหารดีๆแบบนี้ก็สมควรที่จะพระเทระเป็นต้นนะท่านควรฉันเราก็ควรไปฉันอาหารอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็แบ่งออกเป็นสามอย่างใช่ไหมตามมีตามได้ในอาหาร ตามกำลังในอาหารและก็ตามสมควรเนี่ยนะว่าเรื่องอะไรสมควรเสนาสะนะบงังที่อยู่อาศัยนะเสนาสะนะที่ถึงแก่ภิสุในธรรมวินัยนี้จะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามโดยที่สุดกระท่อมที่มุงด้วยหญ้าก็ดีที่ลาดที่นอนด้วยหญ้าเธอย่อมยินดีด้วยเสยนาสะนะ น, นั่นแหละหรือเสนาสะน์อื่นที่ดีกว่าซึ่งมาถึงเข้าอีกก็ไม่รับ อาการของพิสูจน์นี้เรียกว่ายะถาลาพระสันโดษในเสนาสนะนั้นคือหมายคําว่าถ้าไปที่ไหนเขาจัดที่อยู่แบบไหนให้ก็อยู่แบบนั้นแหละถึงเขาจัดที่อยู่อันใหม่ให้ดีกว่าเก่าก็ไม่เอาอยู่ตามที่ได้เนี่แหละเขาจัดที่อยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอันนี้เรียกว่ายถาลาพระสันโดษในเสนาสนะถ้าพระทุกรูปเป็นแบบนี้นะั่นปัญหามันไม่ค่อยมีที่ปัญหามันมีก็ไม่เอาอย่างนี้หมาว่าอันนั้นะของใครเป็นต้นนนะ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังให้ดีถ้าจัดไม่ถูกต้องเนี่ยเสียหายนะเจ้าหน้าที่เสนาสนะเขามีนะแผนกจัดเสนาสนะให้สงเนะี่ยจัดไม่ดีตกนรกนะเพราะของสงไม่ใช่ของตัวต้องจัดให้ถูกต้องเหมาะสมว่าอะไรเรื่องอะไรมันสมควรในธรร ม, มนัยเป็นต้นเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะทดลองให้คนอื่นสันโดษฉันจะได้สบายยางไงนะทุกคนจงเสียสละฉันจะได้สบายเนี่ยนะก็ไม่ใช่แบบ น, นั้น ต่อไปก็เมื่อเธออาพาธมีร่างกายทุรพลหมายถึงว่าทุราแปลว่าไม่ดีนะพลก็แปลว่ากําลังทุรพลก็หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังและอ่อนแรงแก่แล้วได้เสนาสนะที่แสดงตามปกติหรือแสดงแก่ความป่วยไข่ยอยู่แล้วไม่ผาสุกเธอถวายเสนาสนะนั้นแก่พิสูพุชอบพอกันเสียอยู่ในเสนาสนะอันเป็นสัปายะของพิสูพุชอบพอกันนั้นกระทําสมณธรรมก็จัดว่าเป็นผู้สันโดษแท้ อาการของพิสูจน์นี้นั้นชื่อว่ายถาพภะสันโดษในเสนาสนะกุติแค่ไหนจึงจะเหมาะสมจะไม่กุติไหนอยู่แล้วป่วยกุติไหนอยู่แล้วไม่ป่วยป่วยแล้วอยู่แล้วหายหรือกุติไหนแล้วไม่ป่วยไปอยู่แล้วป่วยเป็นต้นเนี่ยที่เราว่าจะต้องรู้จักกำลังของตัวเองว่าสมควรจะอยู่กุติประเภทใดเนี่ยนะก็เลือกให้ถูกอันนี้เรียกว่ายถาพภะสันโดษเพราะจัดสปายะเป็น ภิกษุอีกรูปหนึ่งไม่รับเสนาสนะที่ดีแม้ที่เข้าถึงโดยคิดว่าเสนาสนนิประณีดนะักเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้กุติอย่างดีก็ประมาทแล้วใช่ไหมคือคําว่าประมาทนี่หมายความว่าได้กุติที่ดีมากก็เลยไม่บําเพ็ญสมณธรรมนะสำหรับบางท่านเป็นอย่างนั้นนะได้เสนาสนอันประณีดเช่นถ้า ม, มนดบกูตาคารเป็นต้นเพราะค่าที่เธอเป็นบุญมากคือบางคนมีบุญมาก ไปที่ไหนเขาก็จัดให้แต่ของดีๆเธอก็เอาของดีๆเหล่านี้แหละไปถวายพระธีระผู้บวชนานเป็นต้นเหมือนกับถวายจีอรก็ไปอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งอันนี้ก็จัดว่าสันโดษโดยแท้อันนี้คือว่าย่าถาสารู ป, ปะสันโดษสันโดตามสมควรว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระภิกษุบวชใหม่สมควรจะอยู่แค่ไหนอะไรที่สมควรแก่พระธีระเป็นต้นก็ถวายไปตามนั่นไป เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็แบ่งว่าตามมีตามได้ตามกําลังและตามสมควรก็ดูเอาว่าเหมาะกับอะไรคือตรงนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยท่านก็บอกไว้กว้างๆใช่ไหมการแสดงไว้กว้างๆอย่างนี้จะได้รู้ว่าอะไรเป็นสัพพายะไม่เป็นสัาพายะถ้าไปล็อกว่าจะต้องตามมีตามได้เท่านั้นนะไปได้ของที่มันใกล้ต่อความตายล่ะพออยู่แล้วก็ป่วยป่วยไม่หายสักทีหนึ่งมันจะไปดียังไงว่ามันไม่เป็นสัพายะ เพราะสปายะเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่จะให้บรรลุถ้าไม่ได้สปายะไม่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นจึงหาทางออกว่าเพื่อสปายะด้วยนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าหาแต่สปายะอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยหาแต่ที่สปายะโดยที่ไม่รู้จักกรรมาฐานก็เลยหาแต่ที่ดีๆนั้นะช่วยชีวิตหนึ่งบวชเข้ามาหาแต่ที่อยู่พอหาจบเนี่ยนะสร้างที่อยู่เสร็จตายพอดี บางรูปนี่เป็นอย่างนั้นใช้ชีวิตบวชเข้ามาเนี่ยหแต่ที่อยู่อย่างเดียวเลยนะหาได้สถานที่ดีที่ตัวเองต้องการหาทุนหารอนมาสร้างสร้างเสร็จก็จุติลูกศิษย์รุ่นหลังมาก็ไม่มีใครบูรณะต่ออะไรเนี่ยสร้างซะใหญ่โตสร้างจนตัวเองดูแลไม่ได้นะลูกศิษย์รุ่นหลังมาบ่นเลยนะีามาบอกว่าไปเห็นวัดใหญ่ๆหลายวัดเนี่ยบอกอ๊้สาวปรคุณสาธุยขเราอยาได้เป็นเจ้าวัดวัดอย่างนี้เลยแค่เช็ดเนี่ยนะไม่ต้องไปสร้างอะไรหรอกแค่เอาไปเช็ดเนี่ย เงือ่ท่วมแล้วอ่ะนะบางแห่งในพื้นที่มันเป็นไร่ใช่ไหมเป็นไรลองโยมลองคิดดูอ่ะเช็ดสาลาเป็นไรๆเนี่ยนะโอ้ตายเลยต้คิดแบบก็ต้องถามตัวเองว่าเราคนขี้เกียจหรือเปล่าเนี่ยบอกอเอาเวลาที่เหลือไปทําอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยนะกว่าจะเช็ดกุฏิเฟศก็อ่านพระไตรปิฎ ก, กได้ตั้งเยอะแยะคิดดูนะสมมติกุฏิหลังหนึ่งเช็ดชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมก็บวชมาปีหนึ่งเนี่ยนะสามร้อกว่าวันเนี่ยหมดไปสามรอกว่าชั่วโมงแล้วมัวจะเช็ดกุฏิอยู่นั่นเลย เราไม่ต้องทําอะไรแล้วเอาเวลาสามกว่าชั่วโมงอ่านพระไตรปิฎกได้ตั้งหลายเล่มแลเนี่ยก็อ่านพระไตรปิฎกดีกว่านีนะก็ดีละที่อยู่ปนปอ น, ปอนนะมันดีละทีนี้ยาบ้างยาภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้เภสัตวนปอนหรือประนีเธอยินดีด้วยเภสัชนั้นนั่นแลไม่ปรารถนาเภสัตว์อื่นถึงจะได้ก็ไม่รับอาการของภิกษุนี้นั้นชื่อว่ายถาลาพระสันโดษในกีฬานปัจจัยก็คือได้ยาชนิดใดะนะก็ฉันแบบนั้นนั่นแล หมายคําว่าโรคเดียวกันนั่นนะไม่ใช่หมายคําว่าเอายาอีกโรคหนึ่งไปกินอีกโรคหนึ่งไม่ใช่หมายคําว่ายาสําหรับโรคนั้น่จะได้ยาประนีหรือไม่ประนีก็ตามก็ฉันตามโรคะนะฉันยาตามโรคไม่ใช่ว่าเอายาปวดหัวมาแก้ยารักษาเข่าเป็นคนละเรื่องกันหมายคําว่าได้ยาในเฉพาะโรคนั้นนั้นะนะได้ยาอย่างดีหรืออย่างเลวก็ตามก็บริโภคตามที่มีนั่นแหละอันนี้เรียกว่ายถาลาภ ก็เธอได้น้ํามันหรือได้น้ําอ้อยเธอก็ถวายน้ําอ้อยนั้นแก่พิสูจนผู้ชอบพอการประกอบเภสัตชด้วยน้ํามันจากมือของพิสูจนผู้ชอบพอการนั้นกระทําสมณธรามก็จัดว่าเป็นผู้สันโดษแท้อาการของพิสูจนนั้นชื่อว่ายาถาภละสันโดษในคีฬานปัจจัยหมายคำว่าตัวเองเนี่ยสปายะกับยาชนิดใดอ่ะนะถ้าได้ยาชนิดนั้นสัปายะแล้วหายเร็วขึ้นเป็นต้นก็ แลกเปลี่ยนได้ไม่ใช่แลกเปลี่ยนไม่ได้กับพระภิกษุด้วยกันนะไม่ใช่ไปแลกกับค า, ารวาสภิกษุอีกรูปหนึ่งมีบุญมากได้เพศัตวที่ประณี๊เช่นน้ามันน้าพึ่งน้ําอ้อยเป็นต้นนะคือได้เนยไสเนยข้นน้ํามันน้าพึ่งน้ำอ้อยก็ถวายเพศัตวนั้นแก่พระเถระผู้บวชมานานเป็นต้นตัวเองก็ประกอบเพศัตวด้วยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนได้มาจากพระเถระก็จัดว่าเป็นผู้สันโดแท้ ส่วนภิกษุใดวางสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าในภาชนะหนึ่งวางจัตุมัทุรสไว้ในภาชนะหนึ่งจัตุมัทุรสก็คือเนอยใสยเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรเนี่ยที่รวมกันนะอีกภาชนะหนึ่งเมื่อเขาพูดว่าสิ่งใดที่ท่านต้องการก็เอาไปเถิดครับถ้าโรคของเธอระ ง, งับด้วยเพสัชขนาดใดขนาดหน 1, ึ่งบรรดาเภสั์เหล่านั้นเธอพึงตามระลึกนึกถึงพระดารัสว่า ชื่อว่าสมอดองด้วยน้ำมูดเน่านี้บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสัรเสริญแล้วบรนประชาอาศัยเพศัตว์ที่ดองด้วยน้ำมูดเน่าเธอพึงกระทำความอุตสาหะในข้อนั้นตลอดชีวิตเธด อ, อันนี้เป็นอนุาสาหที่อุปชาให้วันบวชจึงห้ามจะตุมทุรสประกอบเพศัตว์ด้วยสมอดองน้ำมูดเน่าจัดว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่งทีเดียวอาการของพิสูจนนี้นั้นชื่อว่ายาถาสารุ ป, ปะสันโดษ ในขีฬานะปัจจัยก็ตามความเหมาะสมจริงๆเลยหมายความว่าฉันน้ําดองด้วยน้ํามูดก็หายโรคฉันน้ําพึ่งก็หายโรคก็เลือกเอาน้ําที่ดองด้วยน้ํามูดเพราะระลึกถึงคําที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้เรียกว่าสันโดษอย่างยิ่งนะนะสันโดษมากสันโดษทั้งหมดมีประเภทดังกล่าวแล้วคือสันโดษสาในปัจจัย4เรียกว่าสันโดษ12บสองท่านเรียกว่าสันโดษ ด้วยเหตุนั้นโดยอัฏฐะก็คืออิตระปัจจัยสันโดษสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้กระถาคือคำพูดที่เป็นไปด้วยอำนาจประกาศอานิสงค์ของความสันโดษนั้นพร้อมกับวิธีที่ชี้แนะเป็นต้นประกาศโทษของพิสูู้ตกอยู่ในความอยากอันต่างด้วยความปรารถนาเกินไปอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความสันโดษคาพูดที่ประกาศอานิสงค์ของความสันโดษ ประกาศโทษของความมากๆเรียกว่าสันตุติคาถาปันคถาเหล่านี้ก็เกื้อกูลต่อสมถะและ ว, วิปัสนาเนี่ยนะเป็นคําพูดที่ขัดเกลาเพราะว่าจะได้ลดบาปลดอกุศลขัดเกลาเนี่ยเราไปช่วยคนอื่นขัดหรือว่าขัดตัวเองขัดตัวเองนะสาธุเพราะว่าคนนี่ชอบไปช่วยขัดคนอื่นนะนะขัดเสร็จแปลว่าไอ้สิ่งที่ขัดทั้งหมดเอามาไว้ที่เราอย่างนี้หรือเปล่าก็มีพระบางรูปที่ว่าเนี่ยโอ้ยไปสอนให้พระรูปอื่นสันโดษในจีโอน เขาก็เอาจีวรมาถวายตัวเองเลยได้เป็นเล่มเกวียนเลยนะไปที่ไหนก็ขนจีวรไปเป็นเกวียนเลยเชื่อว่าพระอุปนันทะมีรูปหนึ่งสวายพุทธการสอนให้คนอื่นสันโดษ น, นะแต่ตัวเองเนี่ยรับหมดนะใครถวายอะไรรับหมดแต่สอนให้คนอื่นจงมักน้อยจงสันโดษจะใช้ไปทําไม้ต่างหลายผืนเขาก็เลยมาถวายได้แต่ของดีๆขนไปเป็นเกวียนเลยนะอันนี้กระทำวัตถุข้อที่สองคือสันโดษกระทำวัตถุข้อที่สคือปวิเวกะตะตัวนั้นแปลว่าทั่ว วิเวก ค, คือความสงัดก็คือความสงัดทั่วความสงัดมีอยู่3ามอย่างคือ 1. กายวิเวกสองจิตวิเวกสาอุปธิวิเวกความสงัดก า, ายสงัดจิตและสงัดจากขันคืออุปธิคือขันใน3อย่างนั้นในวิเวก3ความที่ภิกสุละความคลุกคลีด้วยมูแล้วก็อยู่สงัดในกิจทั้งปวงในอิริยาบทอย่างนี้คือรูปหนึ่งเดินรูปหนึ่งยืนรูปหนึ่งนั่ง จริงต้องแปลว่ารูปเดินแต่เพียงรูปเดียวยืนเพียงรูปเดียวนั่งแต่รูปเดียวนอนแต่รูปเดียวเข้าไปในหมู่บ้านบินทบาทแต่รูปเดียวรูปเดียวกลับรูปเดียวไปรูปเดียวเดินจงกรมรูปเดียวเที่ยวไปสรุปว่าอยู่แต่รูปเดียวเรียกว่ากายวิเวกไม่มีคนข้างหน้าไม่มีคนข้างหลังไม่มีข้างซ้ายและข้างขวาก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอดร็อันนี้แหละเรียกว่ากายวิเวกสงัดทางกาย ส่วนสมาบัติ8ชื่อว่าจิตวิเวกหมายคาอว่าสงัดจากนิวรณ์ห้าด้วยปฐมฌานสงัดจากวิตกวิจารณด้วยทุติยฌ า, านสงัดจากปีติด้วยตาติยฌ า, านสงัดจากสุขทุกโสมนัตโทมนัตกรรด้วยจตุติฌานสงกัดจากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญาไม่ใสใจนานาตัาสัญญาด้วยอาการสารัญจา ย, ยตนะเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตวิเวกพระนิพพานเรียกว่าอุปทิวิเวกเพราะสงัดจาก ขันขันทูปธิสงัดจากสังขารรูปนามหมดเลยดังที่ภาษารีบวกกล่าวไว้ว่าผู้ปลีกกายออกผู้ยินดีในเนคขมมะจัดเป็นกายวิเวกสำหรับผู้มีจิตบริสุทธ์ถึงความผ่องแผ่อย่างยิ่งจัดเป็นจิตวิเวกผู้หมดอุปธิกิเลสเข้าถึงวิสังขารคือพระนิพพานจัดเป็นอุปธิวิเวกมันคำู้ที่ประกาศโทษของการคลุกคลี ด้วยหมู่ลีกเกรนแต่เพียงผู้เดียวเป็นต้นอันนี้เป็นคาถาว่าด้วยกวามสงัดเอาเวลาที่เหลือกายาวิเวกเพื่ออะไรเพื่อให้มีจิตวิเวกจิตวิเวกก็เพื่ออุปทิวิเวกไม่ใช่ไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งเงาโอ้ย อ, อะไรจะน่าเบื่อเท่าอยู่คนเดียวอีกแล้วไม่มีไม่เชื่อให้เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวปิดทีวีโทรทัศน์อะไรทั้งหมดนะนะให้อยู่คนเดียวแล้วไม่ให้ทําอะไรด้วยนะหนังสือก็ไม่ให้อ่านให้อยู่คนเดียวเฉยเฉยเนี่ยนะโอ้ยวันนั้นคือวันที่เศร้าที่สุดทรมานที่สุด แต่ถ้าคนที่กุศ ล, ลจิตเจริญเนี่ยนะอยู่คนเดียวนี่มีความสุขที่สุดเพื่อที่จะมีเวลาเป็นส่วนตัวเยอะตรึกพระธรรมได้มากอะไรได้มากสามารถเจริญกุศลได้เยอะเพราะอยู่กับเพื่อนม่มวแต่เกรงใจเขาชวนก็เป็นอกุศลสะหน่อยเออเกรงใจแทนที่ว่าชวนให้เขาเป็นกุศลไม่ใช่ไหมสงสารเขาก็เลยชวนเขาเพิ่อเจอสักหน่อยใช่ไหไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ยอย่างนี้แหละ โ, โทษของการคลุกคลี ทีนี้สังสักขะการไม่คลุกคลีปกติคําว่าคลุกคลีมีอยู่5้าอย่างด้วยกันคลุกคลีนะสังสักขะแปลว่าการคลุกคลีเนี่ยสวัสสังสักขะคลุกคลีด้วยการฟังทัศนสังสักขะคลุกคลีด้วยการดูการเห็นสมุลปณะสังสักขะคลุกคลีด้วยการพูดคุยสัมโขขสังสักขะคลุกคลีด้วยการบริโภคกายสังสักขะก็คือคลุกคลีด้วยการจับจับต้องกันเนี่ยนะ อธิบายตามลำดับคลุกคลีด้วยการฟังก่อนนะสวนะสังสักคะคือยกตัวอย่างเช่นพิสูบบางรูปในธรรมวินัยนี้ได้ยินเสียงโฆษณาว่าหญิงบ้านโน้นนิคมโน้นรูปงามหน้าชอบใจหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยความเป็นผู้มีสีกายงามผิวสวยเนี่ยนะเธอได้ยินดังนั้นแล้วก็จิตซ่านไปไม่สามารถจะดารงพรหมจรรย์อยู่ได้ลาศิกขามาเป็นเครือัดสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้น กิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะได้ฟังวิสภาคารม์คืออารมณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าสวนะสังสักะฟังแต่เสียงโฆษณาก็เลยสึกเลยไม่เคยเห็นตัวซากหน่อยเนี่ยนะฟังแต่คำชมความงามก็ศึกเลยก็มีอีกรูปหนึ่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเธอย่อมเห็นหญิงงามเองหน้าดูหน้ า, นาเลื่อมสายประกอบด้วยสีกายงดงามอย่างยิ่ง เธอพอเห็นเท่านั้นใจก็ซ่านไตยแผ่ไปไม่สามารถจะดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้ลาสิกขามาเป็นกครื่อหัดความสนิทสนมด้วยกิเลสที่เกิดขึ้นโดยได้เห็นวิสภาคารมณ์คืออารมณ์ของเพศตรงข้ามด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าทัศนสังสาระก็เรียกว่าบินทบาทเห็นครั้งเดียวสึกเลยอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นนะก็มีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะก็ข่าวคราวประเภทนี้ก็ได้ยินบ่อยประเภทที่สาม เพราะเห็นสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นก็เจรจาพูดกันไปเรื่อยเรียกว่าสมุลปณะสังสักะใช่ไหมด้วยการเจรจาปราศัยนี่แหละจึงรวมเข้ากาันเป็นการกสิกระซิเป็นต้นก็ไม่สามารถดำรงสมณะเพศไว้ได้ก็เพราะการพูดคุยกันน่นะอันนี้เขาเรียกว่าสมุลปณะสังสัคะ ส่วนประเภทที่สี่ก็เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของตนที่ให้ก็ตามไม่ให้ก็ตามแกมาตุคามความสนิทสนมด้วยกิเลสเกิดขึ้นด้วยการให้สิ่งที่มีค่าที่ตนให้เป็นต้นชื่อว่าสัมโพคะสังสักะความสนิทสนมแห่งกิเลสก็เกิดขึ้นอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็เอาของเขามาให้เราเราก็ให้ของเขาใช้อย่างี้นะให้ใช้ไปใช้มาก็เลยเลยคิดเอาเอง ต่อไปส่วนประเภทที่หกายสังสัก ข, ขาก็คือจับมือต้องตัวเป็นต้นกับมาตุคามก็เชื่อว่ากายสังสักขะความที่ภิกษุละความคลุกคลีด้วยครือัตอันไม่เป็นไปตามอนุโลมและและความคลุกคลีอันเป็นเหตุเกิดกิเลสกับเพื่อนสะพรมจารีทั้งหลายที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าพวกคลุกคลีกับคารวะนี่เป็นยังไงมาดูนะว่าพวกติดพันในตระกูลคลุกคลีในคารวะก็คือ คลุกคลีด้วยครือข่าอยู่มีความคลุกคลีอันไม่อนุโลมเช่นเขามีเรื่องโศกทางนี้ก็โศกด้วยเขามีเรื่องน่า ย, ยินดีทางนี้ก็ดีใจด้วยเขาสุข ก, ก็สุกไปกับเขาเขาทุกข์ก็ทุกข์ไปกับเขาถึงความขวนขวายในกรณียกิจที่เกิดขึ้นด้วยตนเองโอ้ยรับเป็นภาระขอเป็นธุระรับใช้เข้าไปทุกอย่างอันนี้เรียกว่าคลุกคลี โศกกับโศกกับเขาดีใจไปกับเขาสุขทุกข์ร่วมกับเขาไปหมดเลยนะเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนในครอบครัวนั้นไปเลยลักษณะนี้เรียกว่าติดพันในตระกูลคลุกคลีในตระกูลละแบบนี้ทั้งหมดนะอาการแบบนี้แม้กระทั่งอย่ยว่ากับคารวาสเลยกับเพื่อนสัพพมจารีก็เหมือนกันไม่คลุกคลีหมายความว่าถ้าเขาป่วยอะไรก็ดูแลไปตามทําวินัยไปแต่ใจไม่ผูกพันเข้าไปตั้งเฉพาะซึ่งธรรมะ ความสังเวชในสังสารวัตรอันมั่นคงว่าวิธีทําให้เกิดการไม่ครุกคลีคืออะไรวิธีแก้ความครุกคลีก็คือสําคัญในสิ่งที่ที่มีสังขารว่าเป็นภัยอย่างแรงกล้าว่าสังขารทุกชนิดมีภัยนะไม่ได้ปลอดภัยนะเพราะสังขารเหล่านั้นเนี่ยมีภัยแปลว่าน่ากลัวน่ากลัวอะไรเพราะสังขารเหล่านั้นเป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกพิไรรารพัน เป็นที่ตั้งแห่งความทุกทางกายและจิตใจมันก็มองว่าสังขารเหล่านั้นเนี่ยเป็นภัยที่แรงกล้าสำคัญว่ามีภัยอย่างแรงกล้าแล้วก็วิธีแก้ที่หนึ่งนะเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นมหาภัยสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นปฏิกูลปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยโอกาสประเชดเช่นผมขนเล็บเป็นต้นแล้วก็มีหิริโอตัปปะ อันมีการเกลียดอกุศลทั้งหมดเป็นตัวนำํำนะรังเกียจต่อความชั่วเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปอย่างแรงกล้ามีสติสัมปชัญญะในการกระทําทุกอย่างทําทุกอย่างด้วยสาธกะสัมปชัญญะสปายสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะและอสัมโมหสัมปชัญญะแล้วไม่มีความติดข้องในธรรมทั้งปวงไม่ติดข้องในเรื่องทุกชนิดเหมือนหยาดน้ําไม่ติดบนใบบัวฉะนั้น อันนี้ชื่อว่าอาสังสักะไม่ติดไม่พันไม่ไม่คล้องเลยนะที่เป็นปฏิบัติต่อสังสักะคือการคลุกคลีคําพูดประเภทนี้เรียกว่าอาสังสักกะคาขถาถ้าพูดได้ขนาดนี้นี่เกื้อกูลต่อส ม, มถาวิปัสนาไหมเกื้อกูลมากเลยนะใครที่มีพฤติกรรมตามที่กล่าวมาแล้วว่าสังเวทในสังสารวัฏจริงๆ เห็นว่าวัตาเนี่ยมีภัยร้ายแรงเหลือเกินร่างกายก็ปฏิกูลน่าเกลียดรังเกียจต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปทําทุกอย่างด้วยสัมปชัญญะสี่ไม่ติดข้องในสรรพสิ่งเหมือนน้าไม่ติดในใบบัวไม่ติดในกุศลด้วยใช่ไหมไม่ติดในกุศลที่ดับไปแล้วด้วยตัณหาและทิฏฐิเพิ่มพูนกุศลใหม่ๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ติดข้องฟังเรื่องประเภทนี้ให้บ่อยฟังบ่อยๆสนทนาบ่อยๆก็เรียกว่า อสังสัค ข, ขากถาอีกข้อหนึ่งก่อนนะวิริยรำพภกกถาภาวะแห่งบุคคลผู้ลกล้ากล้าหรือกรรมของบุคคลผู้ลกล้ากล้าชื่อว่าวิริยะการงานของคนกล้าพอฟังอย่า ง, างนีง้นึกว่าเฮายใครที่ละอกุศลได้นี่เป็นคนกล้าจริงๆเลยนะการให้ทานกับการรบมันเสมอกันนะเพราะกล้าให้ทานได้นี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วใช่หมเพราะถือว่าคนกล้าอย่างหนึ่ง ชั้นใดคนที่กล้าละอกุศลออกจากจิตได้นี่ก็ชื่อว่าวิริยะภาวะของผู้กล้ากรรมของคนกล้าเรียกว่าวิริยะกล้าละบาปกล้าเจริญบุญโอละบาปไม่ใช่ละง่ายใช่ไหมละจิตที่เศร้ามองนี่ไม่ใช่ตัดใจได้ง่ายๆนะต้องกล้ากล้าจริงๆเลยนะเฮ้ยอย่าไปโกรธเข้าเลยไม่ใช่กล้าธรรมดานะจริงก็เลิกโกรธได้ง่ายๆนี่บางคนกล้ามากกล้ามีเมตตาได้เนี่ยนะชื่อว่าเป็นเรื่องของคนกล้าอีกอย่างหนึ่ง เชื่อว่าวิริยะเพราะอันบุคคลพึงดำเนินไปคือพึงให้เป็นไปตามวิธีคือความเพียร น, นั้นคือการเริ่มเพื่อละอกุศลธรรมและให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเชื่อว่าวิริยรำพะปรารบความเพียรเพียรละบาปเพียรเจริญบุญวิริยรำพะเนี่ยจะแบ่งเป็นหนึ่งก็ได้ใช่หมก็คือหนึ่งละบาปบาเพ็ญบุญเนี่ยคือภารากิจของเพียร2เพียรทางกายและ ทางจิตเพียรแบ่งเป็นสามอย่างนะคือความเพียร น, นี่แบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้แบ่งเป็นสองคือกายกับจิตแบ่งเป็นสามคืออารัมปธาต์คือนิกรรมธาตุปรักรรมธาตุอารัมพาคือปรารบนิคมาก็คือออกปรักกรรมก้าวหน้าบากบั่นอย่างมั่นคงต่อไปความเพียรแบ่งเป็นสีก็คือสัมมปทานสี่วิริยารัมพาทั้งหมดเพิ่งทราบด้วยอำนาจการปรารบความเพียรอย่างนี้ ของที่โสผู้ไม่ให้กิเลสที่เกิดขึ้นในตอนเดินก็ให้มันดับที่เดินนี่แหละไม่ให้มันต่อไปถึงยืนกิเลส ท, ที่เกิดตอนยืนก็ระงับทําลายตอนยืนแหละไม่ให้ถึงนั่งกิเลส ท, ที่เกิดตอนนั่งก็กําจัดตอนนั่งนี่แหละไม่ให้มันไปถึงตอนนอนกิเลส ท, ที่เกิดตอนนอนก็ไม่ให้มันตอนลุกขึ้น Cen นะกำจัดจนได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนการข่มไว้ด้วยพลังความเพียรไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในอิริยาบถนั้น เหมือนคนเอาไม้มีลักษณะเหมือนเท้าแพะกดงูเห่าเอาไว้เหมือนกับเอาดาบที่คมกริบฟันคอศัตรูเช่นั้นกล้า ก, กำจัดอกุศลออกไปคําพูดประเภทที่มุ่งกําจัดอกุศลมุ่งเจริญกุศลดังที่กล่าวไปทั้งหมดเรียกว่าวิริยารัมภาคถาคําพูดทั้งห้าอย่างที่กล่าวไปแล้วคือมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรคําพูดเหล่านี้เนี่ยถือว่า เป็นไปเพื่อเปิดเผยจิตคือให้จิตเป็นไปกับสมถะและวิปั ส, สนาเป็นคําพูดที่เป็นไปเพื่อเอกามตานิพิถาเป็นไปเพื่อวิปั ส, สนาเป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลและนิพานเป็นคําพูดที่บ่งวิมุตต์ก็พอดีคาถาวัตถุทั้งสิเป็นต้นเนี่ยนะธรรมะบ่มเจโตวิมุตต์ก็ไว้ต่อพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็แมเวลาเกือบหมดแล้วนะ